ศึกษาได่หมดในะสภาวะทีม่มันศึกษาได้ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วไม่มีว่าที่ตรงไหนได้ความรู้แก่เราเขามีการได้ความรู้กับเราตลอดนนละแต่เราจะรู้จักเอาหรือไม่รู้จักเอาเนี่ยอย่างหนึ่งนะยงบางทีเราไม่รู้จักเอาเนี่ยแม้แต่สภาวะของความเจ็บป่วยเนี่ย เขาก็ให้เรานะเพราะเราเอาความเจ็บปวดเขาก็ให้เราได้เรียนรู้เหมือนงไม่สภาพของความสุดสบายเขาก็ให้เราเรียนรู้เรารู้จักเรียนเรารู้จักเรียนแล้วก็รู้จักรู้เนี่ยก็จะรู้จักกันได้ปัญญาตลอดแต่ถ้าไม่ไม่รู้จักนะแม้แต่สิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อหน้าี่ก็เอาไม่เป็น เอาไม่เป็นนะเนี่ยไปดูจากวิธีที่จะเอาเชา้านี้อยากจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการของการเกิดนะการเกิดที่พระเจ้าท่งตรัสไวนะ้อะเนี่ยมันมีอยู่สี่อย่างเนี่ยที่พระเจ้าท่าตรัสไวนะ้เนี่ยการเกิดมาโลกเนี่ย ทั้งสามโลกเนี่ยโลกสวรรค์สวรรค์โลกมนุษย์โลกแล้วก็ภพ ม, มนุษโลกเนี่ยจะมีการเกิดอยู่สามสามอย่างอย่างที่หนึ่งคือที่เราให้กดน้ำไปตอนเช้าเนี่ยชราพุทธะอันดชะสังเซทชะโอปโอปาปาติกะ เข้าใจไหมจราพุชะอันดะชะสังเตจชะอุปปาติกะนี่คือการกำหนดสี่าภาษาเราเข้าใจง่ายๆแยกประเภทการเกิดอยู่เป็นสี่ส่วนหนึ่งเกิดในคันได่เกิดในคั น, น, นสอง เกิดในใครสามเกิดในเท่าใครสี่เกิดขึ้นทันทีโอปปาติกาเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเลยมีมีสี่กลุ่มเนี่ยในโลกนี้ก็จะแบ่งสังเกตดูนะเกิดในครนก็จะมีเยอะแยะนะมนุษย์คือคนช้างมา้า วัวควายเห็นไหมสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเนอ่าจะทํามาไม่รู้ภาษาบาลีแปลว่าอะไรนะแต่ถ้าภาษาไทยเป็นเงี้ยสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจะเกิดในในคันจำเวลวก็อ้อเรื่องการเกิดเนี่ยมันจะเกิดอยู่แค่นี้แหละ เร่งเกิดี้ไข่ก็จะมีไก่มีเป็ดนะมีสัตว์ก็ดูดได้เงสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดนะสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเนะมันจะอาศัยไข่เกิดนะออกมาเป็นไข่ก่อนนะเอาไปไข่ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปกระป๋อไข่ออกมาอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะ เราเห็นอยู่เราเห็นด้วตานะเราเห็นด้วตาแลอีกอันหนึ่งคือเกิดในเท่าใคร ค, คือเกิดในของโสกปรกนะของโสโครกของที่ไม่สะอาดต่างๆเนี่ยที่เกิดในภกษาของขอ ง, ของอที่สิ่งที่โสกปรกที่ชอบสิ่งที่สโปรกต่างๆาเช่นแรงวันเนี่ยแรงวันน้อนต่างๆเรื่องพวกนี้ เขาจะเกิดอยู่ในในเท่าไขนะ่ของที่มีสุขปบต่างต่างและอันสุดท้ายที่เกิดคืออุปปาติกะอุบปาติกะเป็นยังไงต้องมาไปดูไอ้หนังเรื่องหนึ่งดูหนังด้วยนะ <c oughs> เคยดูหนังเรื่องเคยดูหนังเรื่องดมริเคยดูกับหนังเรื่องอะไรเดยว อืม่จําไม่ได้หรอเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องมันทําได้คลา้คลายมากเลยเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปป่านี่แหละอทาไม่ได้เออเอเอเอเวตาเนะี่ยไม่ใช่เพีงเวตาอืมเขาเรียกคล้ายๆเนี่ยเหมือนก็โอปาติกาเนี่ยคือมันเป็นลักษณะว่า คนคนนี้เป็นคนพิการไปไหนไม่ได้ต้องนั่งรุดเข็นไปแล้วเขาจะมีไปอีกดาวหนึ่งดาวที่เขาจะเพาะเลี้ยงในมนุษย์ดาวนั้นอะ่ะเพาะเลี้ยงเอาไว้ให้มันเกิดรดูปร่างเกิดรูปร่างเขินเหมือนมนุษย์ในดาวดวงนั้นอะ่ะแล้วก็เอาคนที่พิการเนี้ยอ ที่แรกพี่ชายเขาเป็นคนนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตายก็ เ, เอาสมองของคนพิการเนี่ยเออเอาวัตานเอาวัตานไม่ใช่เวิตานไอสองชื่อเนี่ยจํางงๆอยู่อวตานเนี่ยอ่า เ, เวลา เ, า, าเข้าเครื่องปุ๊บนเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่กับไอ้ร่างเนี้ยปั๊บความนึกคิดของมันเป็นมนุษย์แต่ร่างมันเป็นของคนป่าชนป่าเหล่านั้นเนี่ยเครื่องเอาวตาน ไปดูเออที่โอปปัติกานะมันหายจากอันนี้ไปอยู่อันนี้เลยจะเห็นชัดๆนะที่นีจะขยายเรื่องเกีออ่เอกัอปปาติกานะ่ก็เท่าที่ความสามารถม น, นีนะแต่สองสามอย่างนี้ไม่ต้องไปขยายเข้าใจใช่ไเกิดในสัตว์เลี้งลูกด้วนมเนี่ยเข้าใจสัตว์เนี้ยงนี่ไข่ น, ขนี่เข้าใจก็แบ่งไปสองประเภทประเภทหนึ่ง เ้ลูกด้นมประเภทหนึ่งก็ไม่ต้องเอานมเลี้ยงโตมาเลยแล้วก็หากินเลยเช่นไก่แต่ว่าโอปปาติกะเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ทํานในในในภูมิต่างๆเนี่ยเช่นอ่าเวลาเราจะไปเกิดเป็นเทวดาปั๊บนี่เแล้วสวยปนุนขึ้นเทวดาปุ๊บเนี่ยพอหมดพบหมดวิบากกรรมพบภูมินี้ปุบ๊บมันจะไปไปตามนั้นเลย ไม่ได้ไปตั้งท้องก่อนนะไม่ได้ไปตั้งท้องก่อนนะเพราะนั้นพวกไปเลยไปเสวยส่วนบุญของตนเองที่มีอยู่จนกระทั่งพอจะหมดหมดสภาวะของส่วนบุญเหล่านั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนภพไปใหม่ภพแบบนี้นะเราจะเห็นได้เราอาจจะไม่เห็นได้นะแต่ครูพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ท่านก็พูดไว้ว่าแต่อุปปาติกะือ จากพบนี้ยไปสู่พบนั้นเหมือนกับเรามีร่างอยู่แล้บบวบุญกรรมบุญวิบากกรรมบุญที่ทาไว้วิบากที่ทาดีๆเอาไว้มันก็จะไปสร้างกอบกุมเอาไว้ถึงเวลาปับ๊บเราก็จะไปจิตเราก็จะไปสวมแบบเหมือนกับอวตารนั่นแหละออกจากร่างมนุษย์ผ่านเครื่องเข้าไปสู่ตัวร่างของอีกเรื่องหนึ่งทันที ทีนี้ก็เลยต้องบภูมิพรมสัตว์นรกก็เหมือนกันเ้าทําบาปอะไรไว้ทําบาปอะไรไว้พอระหมดพบภูมิจากมนุษย์ไปพบล้วก็ไปไปอาศัยร่างนั้นทันทีไปอาศัยร่างนั้นทันทีไปเกิดตามวิบากกรรของร่างนั้นทันทีเนี้ยในโลกมนุษยมันจะมีอยู่สามอย่างนี่แหละอสามอย่างแต่ที่น่าสนใจคืออที่เรายังไม่ตายเนี่ย เรายังไม่ตายเนี่ยเราสังเกต ด, ดูไหมการเกิดของอารมณ์เนี่ยมันเป็นอุปบาติกะเลยนะอารมณ์เนี่ยเวลามันโกรธปุ๊บมันไม่ใช่ค่อยได้ตั้งท้องก่อนนะอย่าอยู่มันโกรธขึเลยนะเวลามจะชอบใจแล้วก็ชอบใจขึ้นมาเลยคือเราสังเกต ด, ดูการเกิดของความคิดมันเป็นอย่างนั้นเลยนะการเกิดของความคิดเนะี่ยอยู่ๆมันกระทบกันมามันก็ขึ้นมาพูดเป็นความคิดเลยแบบนั้นแบบนี้แบบนู้น ตามตามอะไรตามอะไรตามวุฒิสายที่สั่งสมออกมาเนี่ยนี่ใครสั่งสมแนวอารมณ์แบบไหนก็จะคิดไปนในแนวอารมณ์แบบนั้นเขาเรียกว่ามันเหมือนกับโอุปปาธิกาเลยพอมันคิดมาปุ๊บจิตก็เข้าไปร่วมปุ๊บจิตก็เข้าไปร่วมจิตก็เข้าไปร่วมถ้าจิตไม่เข้าไปร่วมมันก็ดับมันก็ดับขึ้นมาเองแต่ถ้าจิตเข้าไปร่วมปุ๊บ มันก็อยู่สักพักหนึ่งก็ดับดับไปแล้วเราสังเกตเห็นมไหมว่าเรามีความคิดอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะเป็นความคิดของดีดีนะความคิดในแย่ดีในแง่เหตุผลในแง่บุญกุศลในแง่คุณงามในแงๆของการกรุศลทั้งหลายมีฮิริมีโอตุตตปะมีขันติมีสุราจาัจจะนะมีเมตตามีกรุณา ม, มีมุติตามีอุเบขานะในกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มหนึ่ง เราเรียกว่ากลุ่มของสวรรค์สวรรค์บนโลกสวรรค์ของเป็นนี่นะกลุ่มเนี้เป็นกลุ่มของสวรรค์คือกลุ่มของความรู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยทุกวันไหนเราไ ด, ด้สังเกตดูสิถ้าเราคิดดีมีเมตตาแล้วก็จะสอนให้คิดในการก็คิดในเชิงบวกปัจจุบันนี้ก็จะสอนนะใครก็ตามคิดในเชิงบวกได้เนี่ยจะดีใช่ไหม ไม่ว่าจะตกยากลําบากแค่ไหนก็าตามอคิดในเชิงบวกนี่อย่างบางคนเนะี่ยคิดเชิงบวกคือทําบ้านมันไฟไหม้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินมันหมดไปเนี่ยถ้าคิดในเชิงบวกคิดยังไงทัพสมบัติของโลกไม่ัพย์สบัตช่วงเราอย่างเงี้ยใช่ไหแต่ทัสมบัติของกูเมไหนได้จะยังไงคิดจะเชิงลบเลยอแต่เราคิดเชิงบวกอดีเหมือนกันนะ หมดแล้วเราก็ไม่ทาเป็นภาระากับมันเราก็สบายแล้วก็หาเอาให ม, ม่อย่างเงี้ยเราคิดในเชิงบวกเรียนวิกฤตให้เป็นโอกาสประมาณเนี้ยคนัวเนี้จะสนุกกับทุกชีวิตไม่ว่าจะตกยากลําบากขนาดไหนทุกยากลําบากขนาดอย่างโยมบางทีพลิกวิกฤตใหเป็นโอกาสเ้าดูแลพ่อคนเจริญสุขภาพไปด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเารส า, ยย า, า, เาถือถือโอกาสนี้ไม่จะคิดว่าจะลําบากเป็นภาระตอบแทนบุญคุณ ดูแลพ่อแม่อบแทนบุคุณถึงยานจะเป็นยังไงกันช่าทันเลี้ยงเรามาเราก็ดูแลกันต่อบในข่าวพิษพิภิภิภิวิกิตที่เป็นโอกาสเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งคือมันมีความทุกข์กับชีวิตมากแต่เอาความทุกข์ของชีวิตเนี่ยมาเป็นเครื่องมือให้เราเข้มแข็งพระเจ้าได้สอนไงหักภิกพวิกฤตที่เป็นโอกาสหักฟืกนกำหนดรู้กำหนดรู้ทุกข์จิที่ได้พัฒนาแล้ากำหนดรู้สึกเป็นยังไงจิตหลง โลงเจ็ดกันหมดรู้ทุกข์มันจะยจิ่งพัฒนาอันเนี้เขาเรียกว่าไปเลยเราเรามีอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าใจเราเสพนะใจเราเสพใจเราไปอยู่ใจเราไปเพลิดเลืนนะใจเราก็จะไปเกิดเป็นโอปปะโอปปะติกะทันทีเลยมีอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็รว่วงมีอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บเรก็ร่วใช่ไหมอย่างเงี้ยเอาเอาเฉพาะปัจจุบันนะ อพราะาตมาไม่รู้ว่ามันถ้ามันมีมันก็มีอนะถ้าสวรรค์มีมันก็ต้องมีถ้าสวรรค์ไม่มีมันก็ไม่มีแต่ถ้าโลกมีมันก็มีถ้าโลกไม่มีก็ไม่มีแต่จะสวรรค์มีหรือนรกมีก็ตามสวรรค์จะมีหรือไม่มีนรกจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเราไปเสีความรู้สึกที่มันวุ่นวายอยู่นี้เราทรมานใช่ไหมเราไปเสีความรู้สึกที่มัน ถาเราเสพความรู้สึกที่มันเป็นแบบเหมือนความคิดดีความคิดเชิงบวกเราก็จะรู้สึกถึงชีวิตมีความสุขมีความสนุกมีความสุขตลอดอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นทางเข้าไปสู่ความที่ว่าถ้ามันมีถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปสวรรค์เพรปัจจุบันเราไปแล้วใช่ไหมปัจจุบันเราไปแล้วอนาคตเราก็ไปถ้าก็มีถ้าเขาไม่มีล่ะเราก็สบายก่อน่ะ เอาอย่างนี้เราได้แล้วเราได้เดี๋ยว น, นี้่เราได้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราไม่ต้องไปไปรอหรอกเราได้ั้งเราและเดี๋ยว น, นี้ถ้าเราคิดในเชิงเนี้ยเราก็จะได้เอาในทางตรงกันข้ามถ้าคิดในเชิงลบละ่ะคิดในเชิงลบนะถึงจะสวรรค์จะมีหรือไม่ ม, ม, มีก็ตามเราต้องรับอิบาดของเราเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเราคิดอาฆาตพยาบาทกโกรธเกี้ยวเกี้ยวควันขัดแย้งอิจฉาริสยาใครก็ตามเนี่ย เราคิดในเชิงนี้เราจะต้องรล่าร้อนเราแหละ อ, อย่างน้อยเราต้องรล่าร้อนความรู้สึกของเราเองจะกลับไปร่วมที่เข้าไปร่วมไปร่วมเกิดร่วมเป็นร่วมตายกับมันแต่อารมณ์เ่าเนี้ยท่านความรู้สึกของเราเนี้ยมันเหมือนกับตัวโอปปาที่กามันอาจจะวัดไปสู่ข้างล่างก็ได้วับขึ้นข้างบนก็ได้หรือม่าวัดไปไหนเลยก็ได้อยู่อย่างอิสระก็ได้คเคยยินมั้ย <laughs> ควารู้สึกร้องบทีเขเข้าไ ป, า ร, ไปร่วมกับอารมณ์นั้นไปร่วมกับอารมณ์นี้เวลาเราภาวนาปุ๊บ ม, มันจะมีอารมณ์สองกลุ่มนี้ให้เราเห็นสังเกตดีๆสิเวลามันมีอารมณ์ดีๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเดินยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> อ่าสดเชื่นเห็นอะไรเห็นนกเห็นต้นไม้เห็นพื้นดินที่นอะไรสวยงามไปหมดเลยแหละสวยงามไปหมดเลยเห็นแล้วโอ้มันสงบมันน่าอยู่มันสวยงามเนะี่ย เ, เราสังเกต ด, ดูก่อนเราจะมาถึงตรงนี้ได้สองสงวันเราเห็นยังไง <c oughs> มุมกันกลับเลยแหละนรกชัดๆเลยนรกชัดๆอ่ะถ้าเราสังเกต ด, ดูบ้านเราหลังเดียวเนี่ยบางวันเราก็มองเป็นบ้านสวรรค์บางวันเราก็มองเปนรรง็นรปนรกงานเราที่เคยทาอยู่เหมือนกันบางครั้งเราก็มองเป็นงานแบบสวรรค์สนุกสนานแต่บางวันก็มองแบบโอโ้โหเป็นนรกกับเราชัดๆเลยใช่ไหย แต่และ ว, วันเราเห็นสิ่งที่เราทําเติมๆเนี่ยแต่บางทีเราก็มองและแต่ความรู้สึกของเราเองที่เป็นเสพความคิดแบบไหนอย่างนี้ยฉันถ้าเราเราจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเราผูกพันอะไรเนี่ยอนาคตรเราก็จะไปเป็นอย่างนั้นอนปัจจุบันเรารักอะไรเราเย็ดอะไรเราจะไปเป็นอย่างนั้นแต่มเาเลยเห็นว่าโอ้บางครั้งนะเห็นคนที่รักหมานี่ หวานเสียวหวานเสียวมากมากเลยยีงคนที่รักหมาเนี่ยโอ้โหเมันเอาหมาเป็นลูกหนึ่งหวานเสียวจะไปเป็นลูกหมาหวานเสียวจริงๆริงนะพวกมันมีความผูกพันเนี่ยถึงขนาดความผูกพันเนี่ยเอาที่ตายไปแล้วก็ไปทําศพให้เสีย อ, อกเสียใจร้องขมร้องไห้ไปหาตัวใหม่ไาอีกเนี่ยมันซ้ําอ่ะมันแทนที่จะ ละไปแล้วทิ้งไปแล้วมันสร้างอารมณ์ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะมันน่าเสียวนะเพราะมันไม่รู้จักอ่ะหรือาบางคนไปยึดอะไรบางอย่างยึดบ้านยึดช่องยึดทับย์สมบัติเนี่ยดีไม่ดีต้องระวังไปเป็นทีก่กิ่งฉกตุกแก่เฝ้าบ้านก็ไม่รู้บ้านกูบ้านกูอยู่นั่นเองอันนี้ครับพ่อพ่อรู้สึกเราสร้างพบสร้างภูมิไงบ่อยๆที่สร้างอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหม ทำไมเราถึงมีความรู้สึกท้อแท้แบบนี้เพราะเราคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่นะมันเป็นสิ่งท้าวรมันเป็นสิ่งที่พึ่งได้มันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราพราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมเป็นทุกข์เห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกขนะ์อย่างยมที่กลับไปแล้วดูสิพลาดพลาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ใช่ไหมอยู่ตัวอยู่นี่นอนน้องให้คิดถึงลูกอยู่บ้าน ยังไม่ได้พัดพลาดะแค่จากการเฉยเฉยแค่จากการเฉยเฉยอ่ะมันยังเ็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่พอคิดถึงก็จะเศร้าหมองเนี่ยความผูกพันแล้วตอนนั้นถ้าจิตตอนนั้นแวบบไปมันจะไปไหนม่ต้องแว บ, บไปไหนถ้าไม่ไปอยู่ในถ้าไม่ถ้าไปอาศัยเขาไม่ได้ก็นู่นแหละลงไปสู่ข้างล่างทุกขติทุกขติปิิบานนะ่เอชั้นแต่ละวันเนี่ยเราสั้งเกณฑดีดีไห ในโลกในโลปัจจุบันเนี่ยมันส่งเสงริมความคิดแบบไหนมันส่งเสงริมความคิดแต่อกุศลทั้งนั้นใช่ไหมดูข่าวแต่ละข่าวสิดูละครทีวีแต่ละเรื่องสิแล้วมันไม่เคยเห็นว่ามันมันจะช่วยส่งเสริมให้คนคิดในเชิงบวกเท่าไหร่แต่และเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยมันส่งเสริมในคิดในเชิงลบทั้งนั้นเลยข่าวแต่ละข่าวเนี่โอ้ข้าวกัน ค่ะ ก, กันตีกันแย่งกันโกงกันใช่ไหมมีข่าวไหนบ้างอาไอ้ทาดีที่รู่นที่นี่มีไหมมีแต่นิดเดียวถ้าเขาลงแล้วลงไปมุมเดียวอะ่ะแล้วนอกนั้นโอ้มนเล่นมันเล่นกันเนี่ยมันมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องมีแต่เรื่องทําให้เศร้ามองตลอดแล้วจะทําให้คนเนี่ยมันสร้างเหยืความคิดเชิงบุกได้ไห้ย่า ยากที่สุดเลยถ้าไปฟังเพลงก็ทำให้เพลินไปไหนไม่รู้เพิ่มฝันได้กับจตนาการก็ซะอีกอะไรมันเลยยาก่ะยากในชีวิตเขาเลยบอกว่าชีวิตคาราวานะเป็นที่มาเป็นทางค้นทางแห่ความคับแคบนักบวชเง่งเป็นทางที่โล่งโปร่งคับแคบอะไรพระเดูจริงๆถ้าค า, า, าราวานเนี่ยโอ้มันคับแคบที่ไหนจะไปไหนก็ไปได้ใช่ไหม นู่นนี่นั่นจะไปเที่ยวห้างเที่ยวสร้างัสสินค้าไปซื้อสิ่งของไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวอะไรไปนู่นไปนี่ได้สบายเลยแต่เชื้อพระนี่โผลไปไหนนี่มีแต่คนมองขับแคบไปหมดดินซ้ายก็ไม่ด้ดิ้นขวาก็ไม่ได้เดินไปก็ดูเอาอยูแล้วพระอยู่แล้วเขาบอกขับแคบไหมที่หมายของพระเจ้าอ่ะคารวาะเป็นหนทางมาแห่งความขับแคบของกุศลกุศลทั้งหลายเนี่ยเขาไม่คิดเห็นหน้ากันก็ ชิวใส่กันละใช่ป่ะในการทงานเนะี่ยคือเป็นทางคับแคบที่มาของกุศลไม่มีโอกาสแต่ถึงช้าขึ้นมาไม่มีโอกาสสวดมนต์บ้างไหมเปล่าทะเลาะกันก่อนอนะกินข้าวเนี่ย เ, เ, เป็นที่มาของอกุศลตลอดมันต้องทะเลาะกันมันต้องแย่งกันมันต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเอาชนะฆาคารกันต้องอยู่ด้วยเล่เหลี่ยมต้องอยู่ด้วยกลอุบายต้องหาทางรอดผิดๆไปเรื่อยๆจนเป็นนิสัยไปหมดแหละ อันเนี้ยพระทำอะไรสะสมอคุศนไว้พอเกิดตื่นขึ้นมาพวกแทนจะคุยกันจะนี้ก็อา้าวทํางานเหนี่ๆก็เอ้าอีกแล้วแต่ละเชา้าแต่ละเย็นมีโอกาสได้สวดมนต์ไว้วา่าเปล่าแต่พระตื่นขึ้นมาทํำยังไงอก็ได้สวดมนต์ได้ไหวพระใช่ไหมส้าพระไหนทํานะเอาไปทําก็แล้วไปแต่ทั้งถึงถ้าไปทําอยู่กับวัดท่านก็ไม่จะทะเลาะอะไรกับใครหมาแมวไม่านจะทะเลาะกันก็ แต่ตละวันเนี่ยพระเนี่ยเป็นทางมาของกุศลสามารถทํากุศลได้เยอะเนี่ยอยู่ใกล้ในการรักษาศีลได้รักษาศีลได้ภาวนาได้อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อยู่ใกล้รรกลคําสอนนี่กค่ทีนี้ถ้าถ้าอยู่อยู่ใกล้แล้วไม่เอามันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งแหละอย่าไปอย่าไปเอาเรื่องอื่นเรื่องผิดศีลเรื่องเลาวเาบกแว่งกันเรื่องอะไรกันปุ๊บแต่ก็หนะ้าเราต้องเข้าใจนะเพราะว่าพระ ก็คือคาราวาสนั่นแหละที่จะมาบวชคารา ว, ว่าสะสมแต่อกติสุนต์ทั้งร้ายทั้งปวงก็จะเกิดเช้นแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นจิตจิตของเราเนี่ยสังเกต ด, ดูสิเราภาวนาปุ๊บเราจะมีความคิดดีๆแค่แป๊บเดียวนะดังนั้นหูมีแต่ความคิดอะไรไม่เรเอาเรื่องให้มันมาจากไหนมาจากเราเสพมันนั่นแหละมาจากเราเสพมันนั่นแหละเสพเห็นใครก็เสพ เสพความโกรธเสพความเกลียดเสพความอิจฉาริษยาเสพเสพความอะไรต่างๆเสพอกุศลน่ะเสพไฟอกุศลต่างๆเนี่ยนี่ยหมุดมีอึดขัดเครื่องเนี่ยอะไรพระเราเราเสพมาได้เรืยพวเวลามันคิดมันจะคิดเป็นแนวไหนแนวลบเเพราะมันคิดมันเสพแนวลบะจิตมันไปเสพความคิดแนวนั้นมันก็สร้างเหตุแนวนั้นมันก็เลยสร้างอุปนิสัยออกมาเหมือนน่ะมันเกิดขึ้นมาแล้ว เอาไปไปเอามันแล้วก็ต้องติดมันพอมาอีกแล้วก็อาอีกแล้วก็ติดอีกมาบ่อยแล้วก็เอาบ่อยก็ติดบ่อยที่เคยพูดเสมอๆ ม, อมันคนติดบุหรี่นะที่แรกไม่ติดหรอกแต่ที่แรกก็เกิดมาบริสุทธิ์ปลุกพองไม่มีอะไรไม่ติดอะไรสักอย่างจิตมันสะอาดแต่พอโตขึ้นมาก็สอนให้เอานั่นเอานี่เอานูนก็ไปเอากับเขาไงไอ้มึงต้องไปดูดนะดูดแล้วมึงกิง่งหรือล้วมึงเท่เอาแล้วพอไปดูแล้วเป็นยังไง ติดพอติดปุ๊บมันจะเริ่มคิดในแนวนี้มากขึ้นใช่ไหมเห็นอะไรได้กลิ่นอะไรดูใครจะรู้เลยเนี่ยต้องการต้องการต้องการเพราะก็ต้องการกระตุ้นกระตุ้นก็สนองตอบสนองตอบก็เริ่มที่ขึ้นทีขึ้นทีขึ้นมากขึ้นตรงนี้เหมือนกันเนี่ย ร, รู้ไหมว่าทำไมความรูร้สึกเราจึงไปกับความคิดเยอะบ่อยเ <c oughs> พราะตอนนี้ความรูร้สึกของเราแทนที่จะอยู่อย่างอิสระเนี่ย เพราะมันเป็นเสพความคิดบ่อยไงพอมาปุ๊บทำไมัไปอยู่โูดเลยเราคิดแคนมาปุ๊บไปอยู่โูดเลยเพราะมันมันสร้างเหยื่อในการเสพความคิดบ่อยพอเสพความคิดบ่อยมันก็เข้าไปเสพอารมณ์แต่ความคิดน่ะมันก็เหมือนซองบุหรี่มันรูปบุหรี่นั่นแหละมันไม่ใช่อะไรหรอกความคิดไม่ใช่ความคิดมันเป็นตัวทุกข์ของมันในตัวแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรมันเป็นแค่ยังไงเนี่ยแต่มันอยู่ที่เราไปยุ่งกับมันหรือเปล่า เราไปยุ่งกับมันมันไปยุ่งกับเราอะแต่พอเราออกจากความคิดได้ออกจากสิ่ง่านี้ได้เป็นยังไงก็ยังมีเหมือนเดิมบุหรี่มีเหมือนเดิมแต่ยุ่งกับเราไหมไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวมันก็อยู่มาอย่างนั้นแหละอยู่ในตู้ไปอย่างนี้เสุดท้ายใครติดกันแน่ระหว่ังเราติดบุรี่บุรีติดเรา <c oughs> มันหู่ก็เปอย่างนั้ น, มนไม่ได้มีขาเดินออกเดี๋ยวเราเอามือเอาขาไปเดินหามันเน่ะเหมือนกันความคิดเหมือนกันเนี่ย อารมณเหมือนกันเลยมันก็เกิดขึ้นมันตามเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุปัจจัยเกิดตามเหตุปัจจัยดับไปตามเหตุปัจจัยแต่เราแัแหละเอาใจไปร่วมแล้วจะโอดใครเนี่ยจะไปโทษคนรุ่นโทคนนี้ว่าคนรุ่นทํำให้คนนี้ทาให้ไม่ไมีหรอกเราเองทำเอาเองหมดแหละเพราะเราเอาใจไปร่วมเลยไปเป็นโอปาปาติกะไงเดี๋ยวก็เกิดไปบนสวรรค์เนี่ยใจอารมณ์ดีๆก็อ้า วันนี้อากาศบรรยากาศดีดเสียงนกเสียงต้นไม้ภูเขาแม่น้ําโล่งโปร่งสบายสมบันแล้วก็ยึดติดไเลยพอกลับไปบ้านมันเป็นภาวะใดภาวะโอ้โหวุ่นวายสับสนได้หมดเลยอันนี้จะคิดยังไงตัวนี้ก็คิดต้องมาวัดต้องมาวัดอีกมันนี้เคยคิดจะเข้ามาหาตัวเองเลยเอยต้องหาบรรยากาศแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเด็กอีกแล้ว อพอมาพอมาอยู่วัดเป็นยังไงอีกห่วงบ้านอีกแล้วอพอมาอยู่วัดจิตไปห่วงอยู่บ้านเนี่ยใครจะอยู่บ้านจะดูแลบ้านเ อ, าอมาอยู่บ้านสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะลืมเดี๋ยวคุณออกจากนี่ไปกลับไปสักพักหนึ่งก็ซึมซับจิตเนี่ยมันเหมือนฟองน้ําถ้าไม่รักษาดีๆมันซับหมดแหละน้ําดีมันก็ซับน้ําชั่วก็ซับมันซึมซับถ้ามันรักษามันไม่ดีนะมันจะดูดหมดแหละ อะไรก็ตามเยเกาะมันก็ดูดหมดมันได้ทําตัวเหมือนไอ้ใบบัวที่มีไอ้สารเคลือบเอาไว้ไม่ยอมซึมก็ไปหากันเนยะใช่บางทีเราก็จะอยู่พอเรามาอยู่สังเกตไหมพอเรามาอยู่วัดเนะี okay, ่ยสังเกตไหมจิตเราจะคิดแต่เรื่องบ้านอนอกจากคนไหนมาอยู่นานพออยู่วัดเนะี่ยจะคิดเรื่องบ้าน อย่างคนโ น, น้นเรื่องคนนี้เรื่องคนนั้นเรื่องข้าวเรื่องของร่างทรัพย์สมบัติอะไรมากมายพออยู่สักสองสามวันเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนทนไม่ได้ไปเลยไม่เคยฝืนอ่ะไม่เคยฝืนตัวเองอ่ะไม่เคยฝึกตัวเองก็ไปแต่คนนี้ถ้ามาอยู่ได้พานไปสักสามสี่ห้าวันแล้วกลับไปพวกกลับมาอยู่วัดอยู่วัด เ, เรื่องเริ่มค้นเคยกับการอยู่วัดและวเ ม, มีความสุขกับการอยู่วัด เรื่องมันสงบดีนะไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเรื่องก็ไม่ต้องมากงานก็ไม่ต้องมากแค่มีงานเล็กๆ็น้อยแล้วก็ทําเฉพาะเรื่องส่วนตัวก็ตั้งใจเดินจงกรมสร้างจังหวะไปเฝ้าดูตัวเองไปสิ่งที่มันขึ้นมามนก็ทะลักขึ้นมาถ้วมาก็ดับไปมันฟุ้งซ่านมาแล้วก็ดับไปอดีตอ น, นาคตมาแล้วก็ดับไปเกิด ข, ขึ้นไปแล้วก็จิตใจก็จะเริ่มโปร่งเรสบายเพราะมันมีเพราะมันไม่มีโอกาสทําตาม แต่อยู่บ้านมีโอกาสทําตามคิดอะไรก็ทําปุ๊บคิดอะไรก็ทําปุ๊บแต่พอมาอยู่นี่ปุ๊บคิดอะไรก็ทําไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ให้มันก็เลยถูกทวนกระแสไปเสร็จความคิดต่างๆ ก, ก็เริ่มก็เริ่มจืดเริ่มจางมาจากเรามีอยู่แต่เราจากมันแล้วไม่พกมันมาไว้ด้วยมันมาแล้วก็ไปมาแล้วไปเอาเริ่มสงบเริ่มสงบเริ่มดีขึ้นมาเออมีความสุขหน่อยน่งหมดเวลาแล้ว กลับบ้านเขาหมดเวลาแล้วกลับบ้านกป็นยังไงอ๋อไปอยู่บ้านไปเจอสภาวะไปนั่งก้าเอาใช่ไหคิดถึงมาอยู่วัดโอ้มันมีความสงบนะไม่มีใครทะเลาะเบาะแว้งไม่มีแครเลยมานี่บ้านเนี่ยมันเรื่องอะไรต้องไปรู้เรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องอื่นเอาช่ไหมมกับเจอกันที่ไ้มอึดอัดขัดเครื่องไม่ไว้ยิ้วกระเป๋าต่อไปอีกยิ่วไปก็ยิ้วมาแต่ ด้วยใจก็สลับไปสลับมาอยู่นั่นแหละนี่แหละมันไม่เข้ามาหาตัวเองซักทีมันวิ่งแต่หาแต่ที่ข้างนอกเนะี่ยวิ่งแต่หาแต่ที่ข้างนอกไม่เคยเข้ามาอยู่กับตัวเองเลยไม่เคยเข้ามาตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนี้เลยมัวแต่วิ่งหาแต่อารมณ์เสพแต่อารมณ์เลยเป็นโอโปปาติกะขึ้นเกิดโน่นเกิ ด, น, กดนี่เกิดนั่นไปเรื่อยกดเกิดปุ๊บก็เอาแล้วนะโผลเกิดปุ๊บก็เอาแล้ว ไปรักษาอย่างเนี้เราต้องดูให้ดีๆทีนี้วิธีการที่เราจะต้องพยายามมันมีอันหนึ่งคือออกจากพบเหล่านี้ที่พี่ชาท่านสอนเลยออกจากการขบวนการการเกิดสิ่งต่าี้ทั้งสาทั้งสีงส่อย่างเนี่ยเนี่เราจะไม่ไปเกิดเป็นอะไรแล้วละ่ะเี่ไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้เราเกิดมาเป็นเราเกิดมาเป็นในประเภทไหนเกิดประเภทไหนมนุษย์เนี่ย มนในเกิดประเภทไหนระหว่างสี่ประเภทเนี่ยเกิดในครันวัยรู้ชราพู้ชราคือเลยเกิดในครันประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดในคันเนี่ยเราเกิดมาแบบนี้เกิดในคันฉันจิตวิญญาณเราเนี่ยมันก็จะไปอาศัยแบบเานี้จนขวามันจะเห็นภาวะพวกเนี้ยเป็นภาวะที่ที่ไม่น่าอาศัยอีกเลย ไม่ต้องหัดปล่อยก่อนต้องห้อยปล่อยจากภาวะพวกนี้ก่อนทุกภทุกภูมิเนี่ยมันต้องหัดปล่อยให้การเกิดตรงนี้คือปล่อยฉันไม่สนใจสักภาวะใดภาวะหนึ่งพอเห็นทุกสภาวะมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็บังคับบัญชาไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงเข้ามันตลอดแล้วมันถูกบีบคันตลอดแล้วก็จะไปบังคับบัญชาทําให้มันเป็นยังไงก็ไม่ได้ มันเป็นขึ้นมาอย่างนี้แหละมันมีสิทธิ์ไปทําอะไรมันได้ปุ๊บเนี่ยพอจิตเห็นสภาวะอย่างงี้บ่อยๆเนี่ยจิตจะหยุดจิตพฤติกรรมที่ย่้วกระเป๋าเข้าวัดย่้วกระเป๋าออกวัดมันจะหยุดเพามันมันจะหยุดเลยแหละมันจะหยุดเพมันไม่รู้มันไม่มีสาระอะไรเนี่ยมันเป็นภาวะแบบนี้หมดเลยทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นนรกก็ดีสัตว์นรกก็ดี อ่าสวรรค์ก็ดีภพภูมิต่างๆก็ดีมันมีแต่สภาวะแบบนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะพบไหนภูมิไหนก็ตามมีแต่ภาวะของความอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกภพทุกภูมิเลยมันก็จะหยุดเมื่อหยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ไปเกิดอีกไปเกิดแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่มันอยู่นแหละอยู่ที่มันอยู่นั่นแหละเพราะเราต้องรู้จักว่าที่ไม่ ไ, ไปไหนอีกเนี่ยเขาก็มีที่อยู่ของเขาอยู่แต่เราอาจจะนึกไม่ถึงมองไม่ออกเข้าใจไม่ได้เ้าเรียกว่าหมดเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยจิตหมดเหตุปัจจัยที่จะไปอีกเขาก็ไม่ไปพราะ้ขาหมดเหตุปัจจัยแล้วเขาก็อยู่แค่นี้ออกจากการเกิดเหล่านี้ได้ก็สบายเหมือนกับพระเจ้าท่านบอกว่าเราออกจากไข่ เป็นคนแรกไข่ ค, คืออวิชาเจาะกระปาะไข่ออกมาได้เป็นคนแรกเราเป็นพี่ของโลกคือเป็นคนรู้คนแรกที่ออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายการเกิดต่อไปไม่มีอีกสั้งแต บ, บเรานี่เพราะท่านออกมาจากภพภูมิเหล่านี้ได้ท่านก็สบายแล้วพวกเราล่ะฮนะยังเรียนไหวไปถึงทางไหนกันอยู่ ใี่วิธีการก็คือสังเกตดูง่ายๆแต่ขอบอกก่อนนะที่พูดนี่ไม่ใช่อัตมารู้นะอย่าไปคิดนะรู้บ้างแต่ยังไม่ถึงยังเดินทางอยู่ประมาณนั้นพวกคุณก็ฟังฟงแล้วพวกคุณก็เอาไปตรวจสอบกันเองแล้วกันเป็นปลักษณะของการเราต้องหยุดก่อน อย่างน้อเราต้องหยุดพฤติกรรมของจิตให้ได้ก่อนนี่คือคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหยุดพฤติกรรมของจิตให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปเสพอารมณ์ที่จะเข้าไปเกิดกับอารมณ์เกิดร่วมกับอารมณ์เนี่ยการหยุดการหยุดพฤติกรรมของจิตที่จะเข้าไปเสพอารมณ์หรือเข้าไปร่วมอารมณ์ไปห้ามมันได้ไหมการห้ามมันคือการหยุดไหมการห้ามเนยคือการส่งเสริมไปห้ามมันก็คือการส่งเสริม มโนเราสังเกตตัวเวลาเราทําตัวเรารู้ความคิดไม่ดีนะก็จะหยุดความคิดจะทําลายความคิดจะห้ามความคิดจะตัดความคิดด้วยความคิดจะออกความคิดด้วยความคิดแล้วออกได้ไหมอย่าคิดเนี่ยอยู่ที่นี่นี่มันออกจากความคิดหรือยังอยากคิดเลยเนี่ยมันคิดไหมอยู่ที่นี่มันคิดไหมอย่ายุ่งกว่าั้นอ่ะความคิดอ่ะ คิดไหมเอาเอาม่คิดไม่แอบเนี่ยอย่ไปยุ่งกับมันนะเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คิดไหมอ่าด้นสุดสุท้ายบางทีบางคนใช้ความคิดตัดความคิดใช้ความคิดแก้ความคิดใช้ความคิดล้างความคิดใช้ความคิดลบความคิดแล้วมันจะคิดน้อยลงหรือคิดเพิ่มขึ้นอแต่บางคนไม่เข้าใจเลยคิดว่าไอ้พวกที่มันมันเป็นอย่เนี้ยเป็นไฟเป็นไฟอะไร เป็นฝ่ายผู้ช่วยแต่นั้นเป็นฝ่ายศัตรูเลยลืมไปนะว่าไอ้ไอ้ไอ้ศัตรูนะ่ะมาเปี่ยน เ, เป็นผู้ช่วยแล้วซวยเลยเธอเนี่ยพอพออะไรพอคิดึ้นมาพุกบก็คอยจักว่ามืออย่าไปคิดอยู่ตรงนี้นี่อยู่ซื่อๆรู้เฉยเนี่ยหอเนนาน่านั้นเท่าไงจ่องจ่องที่จะไม่ ต้องที่จะจัดความคิดต้องทิ่ทำลายความคิดแต่อ้ตัวจ้องที่จัดความคิดทำลายความคิดเขาเป็นความคิดที่ีคิดที่จะทำอะไรกับความรู้สึกตัวเช่นนีนั้นทั้งที่ความรู้สึกตัวเช่นนีนั้นไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยแต่เราจะเอาความคิดเข้าไปทำกับมันเพราะวกาความคิดอันตรายกับอนทุกคนกลัวความคิดเลยทีนี้กลัวความคิดก็เลยหาวิธีจากมันมันไม่ได้คิดหาวิธีที่ว่าทำยังไง หาวิธีที่เรียนรู้แบบเรียนรู้อยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องคิดน่ะแล้วมันจะออกมาเองมันหาวิธีนี้สิอย่าไปหาวิธีคิดล้างคิดอยู่นั่นจริงหาวิธีคิดล้างคิดมันจะเป็นยังไงก็จริงฟุ้งกระเจิงไปใหญ่กระจายไปทั่วมันไจะยอมหาวิธีใช่ไหมวิธีที่ออกความจากความคิดก็หาสิ่งที่ไม่ต้องคิดอะ่ะหายัางไงอีกคิดหาอีกเล คิดหาเองก็ยุ่งไปอีกอ่ะยุ่งไปอีกมันเลยเลยต้องดูต้องดูกระบวนการของมันว่าถ้าเรายิ่งไปแก้ไขมันนะ่ะมันเหมือนกับความคิดนี่มันเหมือนกับไอย้ยักษ์ที่ฆ่าไม่ตายประมาณว่าถ้าเราเอามีดไปตัดมันหนึ่งตัวเนี่ยมันจะแยกเป็นสองตัวคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราไปทํากับมันเนี่ยมันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เพิ่มปริมาณมา ก, มากขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าเราจะไปทำลายมันนะยิ่งไปทำลายด้วยระบบความคิดได้ยิ่งไปเพิ่มมันหนึ่งตัว2ตัว3ตัวเดี๋ยวนฟุ้งซ่านเลยกระจิงเลยไม่รจะทําไงมันต้องหาอุบายในการที่จะอยู่กับถ้าเอาความรู้สึกเนี่ยมาฝึกก่อนต้องหัดวิธีการฝึกความรู้สึกที่มีที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องคิดก่อนเราคิดได้ไหมอะไรที่ไม่ต้องคิด เราต้องรู้จักก่อนว่ากระบวนการของความคิดเป็นยังไงอแล้วเราก็มาดูว่ากระบวนการ ข, ของสิ่งที่ไม่ไม่คิดถึงเป็นยังไงแล้วเราก็จัดสรรกระบวนการของสิ่งที่ไม่ได้คิดเนขึ้นมามันก็จะออกมาเองมันโดยเราไม่ได้ไปทําอะไรแล้วเราต้องรู้จักก่นอนกระบวนการความคิดมันเกิดจากไหนมันเกิดจากไหนมันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นายใจได้แหละใช่ไหมอ่ ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพวกเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสนี่แหละใช่ไหมแต่เราต้องรู้จักว่าวิธีที่จะส่งเสริมความคิดให้มันมีความคิดมันสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เนี่ยมันเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรเนี่ยมันเป็นกระบวนการเข้ามันนะถ้าเราดูดีๆมีเหตุมีปัจจัยข้ามันทั้งหมดเยคือความคิดทั้งหมดเนี่ยมันเลี้ยงมันเลี้ยงชีวิตด้วยอดีตกับอนาคตลองดูสิ มันจะเลี้ยงด้วยเลี้ยงชีวิตของมันด้วยอดีตอนาคตจะคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะดึงอดีตขึ้นมาคิดว่ากับอนาคตขึ้นมาในการส่งเสริมสนับสนุนัวมันเองอะ่ะเนี่ยเออเธอได้ดีิดดอ่าเราจะใช้การนึกนึกอดีตคำนึกอนาคตขึ้นมาก็จะเลี้ยงภาวะของความคิดให้อยู่ภาวะความคิดมันจะอยู่ด้วยตัวมันแบบนี้แหละถ้าเราถ้าเราไม่มีการนึกถึงอดีตอนาคตเมื่อไรเนี่ย ความคิดมันจะดับเองมันเราไม่ได้ไปดับมันนะเราตัดรากเหตุเข้ามานนะโอ้ยอย่าไปคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วกับอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ถ้าบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วกัอบอนาคตยังมาไม่ถึงยังคิดอยู่ไหมเราคิดอยู่เอง <c oughs> คิดท่อนคิดไปีกเราต้องรู้จักว่าเนี่ยเหตุของความคิดทั้งหลายแล้วแล้วก็เหตุของการสร้างอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากตัวเนี้ยถ้าเราตัดตรงนี้ได้ปั๊บสินะความคิดจะลดลงเองมัน ลดลงนะมันจะไปทําลายแต่ไม่ได้ทําลายเพียงแต่เราแก้เหตุปัจจัยของมันวิชาทธารบอกว่าสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุต้องดับที่เหตุอันนี้เราไปดับที่ผลมันอ่ะพอมันคิดมาก็ไปห้ามให้มันคิด <c oughs> ก็เลยวุ่นกับมันต้องดับที่เหตุนั้นเรารู้ว่าเออเหตุมันคือตัวอดีตกับตัวอนาคตตัวอดีตอนาคตมันมาจากตัวนัฎจิก็มาจากนิสัยของเรานั่นแหละ ที่เคยไปสั่งสมมันนั่นแหะไม่ต้องไปไล่ยาวเอาแค่ตรงนี้พอสมัมถึงคิดเรื่องนี้เพราะมีนิสัยเคยสั่งสมเรื่องนี้บ่อยๆมันยังคิดมากระทบแต่ละทีถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสเหมือนเดิมสิ่งเนี้มันจะมากระตุ้นปุ๊บพอมาดับไปแล้วค่อยคิดปุ๊บดับไปแล้วค่อยคิดปุ๊บดับไปแล้วค่อยคิดฮัปุ๊ บ, บกระตุ้นปุ๊บเนี่ยอย่างบางคนน่ะง่ายๆเราเดินไปเดินมาใช่ไหม พอเห ah iana, ็นแมวตรงนี az, <c ười> <c ười> ้ปุ๊บเห็นแมวต่อหน้าเนี่ยนะมันไม่ได้เห็นแมวต่อหน้าตรงนี้แหละมันคิดถึงแมวที่บ้านใช่ไหมมันเอาแมวต่อหน้าเนี่ยไปคิดถึงแมวที่บ้านก็มีหรือเอาแมวต่อหน้าเนี่ยไปคิดถึงแมวในอนาคตว่าเอ้เรามานี่ใครจะดูแลมันหรือเปล่าใครจะอยู่หรือเปล่าไปก็มีส่งนี้เราจะเห็นชัดอ๋อเนี่ยมันกระทบตรงนี้ปุ๊บมันกัมีอุปนิสัยในการที่มันผูกพันไว้ก็คิดด้วยนี่บาคน อ้าบางคนกลัวหมอเนี่ยพอเห็นหนอนปุ๊บเน่ยความคิดเรื่องกลัวก็มาแล้วบคนเห็นตุ๊กแกเนี้ยปุ๊บเห็นตุ๊กแกต่อหน้าตรงเนี้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรนะแต่อวัติสัยที่เคยสังสมด้วยความหวาดกลัวเป็นในใจในในจิตในใจที่ฝังอยู่ในนั้นโผล่ขึ้นมานึกถึงความขยะแยงขึ้นมาคิดถึงความขยะแยงแล้วก็สร้างอารมณ์กลัวขึ้นมาแต่ไอ้ตุ๊กแกต่อหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะเพราะเรา ม, มีอวัติสัยในอดีตเนี่ย เข้ามาแล้วมันเร็วมากมันเร็วมากในการทํางานของมันเนี่ยนั้นเรารู้จักว่าอ๋อกระบวนการความคิดเนี่ยแล้ก็อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ภาษาเหล่าเนี้ยมันกระตุ้นแล้วก็ดึงอดีตอนาคตมปสังสมสังสมมันก็เลยเกิดกระบวนการการคิดต่อเนื่องแล้วก็ดับไปเ้ามาใหม่แล้วดับไปมาเลยเพราะอะไรด้วยมันทําไมมันต้องคิดต่อเนื่องเพราะว่าการกระตุ้นของภาษะมันมีต่อเนื่อง ใช่ป่ะตาหูจูกเล่ในกายใจยังมีการกระตุ้นอยู่ต่อเนื่องนะมีกระทบสัมผัสอยู่ต่อเนื่องมันไม่เลยคนเลย ส, ส่งเสริมให้ความคิดทําไมความคิดไม่อยู่ทุกทีวะใช่ป่ะเพราะเยวเดะเยอตาก็เห็นเยก็หูก็ได้ยินบางทีเราไม่รู้เรื่องอะเราไม่รู้เรื่องกับมันเราก็ไปกับมันอย่างต่อเนื่องอันนี้ถ้าเราจับหลักการอ๋อมันเป็นอย่างงี้นะเอาละที่นี้ต้องหาหลักการใหม่อหลักการที่จะเรียนรู้อยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องคิด ทีนี้เราก็ดูว่าจัดเหตุปัจจัยมันอะไรคือสิ่งที่เรียนรู้แบบอะไรที่ไม่ต้องคิดปัจจุบนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดนั่งอยู่รู้นั่งอยู่ต้องคิดไหมเนี่ยนั่งอยู่รูนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องคิดว่านั่งอยู่อีกเดี๋ยววันช่ำนานมากเลยมันใจความคิดจนกระทั่งนั่งก่อนนั่งก็ไ่าด้คิด หลังนัง่งก็ไม่ได้กำลังนั่งอยู่ที่แต่พอบอกกันนั่งอยู่ให้รู้นั่งอยู่ดันคิดว่าให้รู้นั่งอยู่อีกเนี่ยมันนั่งอยู่ก่อนแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมพอบอกอ альную, ให้รหเรา น, นั่งอยู่ให้รู้ว่านั่งอยู่เอ่ะมันคิดแล้วนั่งอยู่รู้นั่งอยู่เนี่ยมันไวไหมแป๊บเดียวเนแหละเราต้องรู้จักกระบวนการในการที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องคิดนี่สิ่งที่ไม่ต้องคิ ด, ค, ดคืออะไรก็อันเดิลมั้งแหละ ภาษาต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบกับเรา น, นั่นแหละอที่มากระทบกับเราอยู่เขาเรียกว่าสัตว์แตว่าเออมันมามันมีเท่าไหรมันเป็นเท่าไร่มันเกิดเท่าไหรก็รู้เท่านั้นรู้เท่านั้นแล้วสิ่ ง, งนี้เราต้องทํำไหมไม่ต้องทําแล้วสิ่งเหล่านีน้มันต้องนีแล้วมันมีมาก่อน เรามีในอดีตไหมตอบมั่เลยเรามีในอดีตไหมมันมีในอนาคตไหมมันไม่มีหรอกมันมีแต่เดี๋ยวนี้ที่มันมีคือชื่อมันน่ะที่มันมีคือชื่อมันสังเกตดีๆบางคนหลงไปอยู่ที่ชื่อมันแล้วไม่เห็นภาวะจริงไงยมันมีคือชื่อมันเนี่ยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนี่คือชื่อมันใช่ไหมอือ และเชื่อ enfin, ม so sort of like, ันเนี on aquela, on ่ยเขาเรียกเหมือนกันไหมอย่างเงี้ยยกมืออย่างเงี้ยอ่ะยกมืออ่างเี้ยกินมันเรียกอย่างหนึ่งนะฝรั่งเรียกอย่างหนึ่งนะใช่ไหมแต่ว่าอาการที่เรายกเนี่ยมันเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดแต่เรียกชื่อต่างกันไหมแล้วชื่อนั่นแหละมันไม่ตายแต่อาการเนี่ยมันเป็นแล้วก็หายมันเป็นแล้วก็หายน้ำกลือทุกคนจินเกลือนี่เค็มเหมือนกันหมดแต่เรียกชื่อเหมือนกันไห เอฝรั่งมากินเอาแขกมากินเอาขมันเอายนเอาลาเอาไทยากินกันจินเหมือนกันไหมรสชาติเหมือนกันไหมหายเหมือนกันไหมแต่เลือดเหมือนกันไหมเข้าเลยบอกว่าอย่าไปรู้ที่ชื่อมันรู้ที่ตัวสภาวะมันต้องฝึกรู้ที่ตัวสภาวะมันเหมือนเสียงเดี๋ยวนี้ยถ้าเราคิดตามเนี่ยมันจะไม่เห็นภาวะของความรู้สึกที่มันกระทบแล้วก็ดับอาการเสียงกระทบแล้วก็ดับ กระทบแล้วก็ดับกระทบแล้วก็ดับเพราะมันคิดคําพูดทั้งหมดเนี่ยคือชื่อมันใช่ไหมอันคําพูดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันชื่อชื่อไปพูดเรื่องนั้นแต่ไม่ใช่เรื่องนั้นแต่พูดให้เห็นเรื่องนั้นแล้วก็ให้เข้าใจเรื่องนั้นแล้วก็งงกับเรื่องนั้นฉะนั้น ถ้าไม่พูดแบบมัถ้าไ่พูดจับมือทําเลยเนี่ยก็ต้องค่อยๆกันไปหมายากำลังพูดถึงมาภาวะของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสที่มันเกิดเองเนี่ยอาการเคลื่อนไหวต่างๆเราลองดูสิรูปตาจริงๆเราเห็นอะไรคนส่วนใหญ่้วว่าจจะเห็นขวดการเห็นขวดเนี่ยเห็นที่ตาเห็นหรือคิดเห็นละ ถ้าตาเห็นตาเห็นชื่อตาของคนคนตาของคนทุกคนมาเห็นจะเห็นสิ่งนี้เหมือนกันนะแต่เท่าตาของฝรั่งมาเห็นบ้างตาของจีนมาเห็นบ้างตาของแขกมาเห็นบ้างจะเรียกสิ่งนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนแต่เท่าที่ตาเห็นเนี่ยเหมือนกันไหมตาเห็นเหมือนกันแต่คขาเอาชื่อเข้าไปใส่เนี่ยจะต่างกันใช่ไหมเนี่ยช่วเวลาเราฝึกเน่ย แล้วถ้าตามันเห็นอะไรแล้วคก็รู้สึกกับตาที่มันเห็นจริงๆแล้วรู้ว่าตาเห็นอะไรตาเราดูดีๆสิคนทุกคนเวลามองสิ่งนี้ที่ดวงตาเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมแสดงว่าตาจริงๆมันเห็นอะไร เห็นรูปของสีรูปของสีสีหนึ่งท่านั้นเองเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยนี่ยเป็นรูปของสีสีหนึ่งรูปของสีขาวกับ ร, รูปของสีเขียวสีขาวสีเขียวมาจากไหนอีกเนี่ยแต่ถ้าตาเห็นจริงๆริูกมันจะปราศจากภาษาปราศจากภาษา แต่ถ้าเราอยู่บนโลกนี้โดยปราศจากภาษาได้ไหมอ๋อไปเอาอันนั้นที่ตรงนั้นมาให้ทีมาให้ทีมาให้ตรงนี้ทีเราจะรู้เรื่องม่อะไรไอ้นั่นไอ้ดีไอ้นู่นแต่อย่าไปหลงภาษาเพราะภาษานี่จะคือความคิดภาษาถูกสอนมาจากอดีตให้จำจำจ ำ, จำกันมาแต่ทีา่ตาเห็นจริงๆเนี่ยมันเห็นแต่สีเห็นแต่สีถ้าเห็นแต่สีปั๊บเนี่ยเคยฝึกไม่เห็นแต่สีเนี่ย มาเคยฝึกนะเอาตาเห็นสีตาเห็นสีดูดูดูที่ตาเห็นสี น, สนะเหมือนไม่มีคนเลยนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรเลยมีแต่สีปรากฏแล้วก็ดับอมีแต่สีปรากฏแล้วก็ดับสีปรากฏแล้วก็ดับมันจะมีสภาวะสภาวะของสีที่ปรากฏที่ดวงตาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปดับไปเออมันจะคิดอะไดีนี่หว่าตามที่ตาเห็นสัตว์แต่ว่าจริงๆนะสัตวแต่ว่าตาเห็นยังไงรู้อ ย, อย่างนั้น ฝกรูตามที่ตาเห็นเที่ไล่ไปเลยเสียงเหมือนกันอย่างโยมที่พูดมันเป็นแค่คลื่นเสียงที่มันโทนต่างกันเฉยอันนั่นแหละหูได้ยินจริงๆแต่ถ้าได้ยินเสียงนกเสียงหมาเสียงแมวอันนี้ไม่ใช่ยินเสียงนะนนะนั่นคือใช้ความคิดทำไมได้ยินแล้วใช้ความคิดทำไมได้ยินแล้วมันจึงมันจึงฝึกถ้าฝึกไม่เป็นเนี่ยมันจะฝึกแต่ ใชความคิดกั่นั้นแหละแต่ถ้าได้ยินโทนของเสียงที่มันเป็นอาการของมรกรกุพรกหูแล้วก็ดับนี่กำลังสอนวิธีการที่จะฝึกรู้อยู่กับสิ่งที่ไม่คิดนะเราจะได้เราจะได้พัฒนาตัวนี้ไปพัฒนาตัวนี้มากเข้ามากเข้าไม่ต้องไปยุ่งหรอกความคิดอนะ่ะมันมันจะมันจะแยกตัวเองออกมาเฉยเยพอเราฝึกฝึกแค่ว่าเออเนี่ยมันได้ยินแค่นั้นเอง ไม่ต้องไปใส่ชื่อมันเราสังเกตไหมบางครั้งเราได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้จักชื่อเราจะฟังด้วยหูจริงๆเลยเสียงอะไรไม่รู้นะไม่รู้จักว่เสียงอะไรไม่รู้อมันไม่มีชื่อใส่ให้มันอะ่ะแต่มันเป็นเสียงที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วดับไปจริงๆต่อหน้าต่อหน้าเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้การเกิดดับได้ดีโดยปราศจากความคิดปราศจากชื่อปราศจากสมมติมัน าอาการที่มันปรากฏจริงๆเนะี่ยแล้วเราต้องทํำไหมไม่ต้องทํามันทําให้เร า, าเราสบายเลยจมูกเหมือนกันทุกอย่างเนะี่ยมันจะมีแต่อาการที่มากระทบกับอายตนะ <c oughs> อาการของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันกระทบกันมากระทบกันแล้วก็จะปรากฏการเรียนรู้ขึ้นมาแล้วอาการ น, นี้ก็จะดับไปมันจะไว้มากนะดับไปดับไปดับไป ถ้าเรฝึกหัดรู้การเกิดแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆความรู้สึกของเราเองที่มีอยู่ที่เราเคยมีอยู่บอกแล้วความรู้สึกเรามันเคยเข้าไปอยู่กับความคิดจำชำนิชำนาญจนเป็นออโต้เลยจนเป็นอัตโนมัติเลยหลงเราเลยนะฝึกหลงจําระท่านมันเป็นออโต้เลยนะถ้าฝึกไว้ให้เป็นออโต้บ้างได้ไหม ได้สิมันเป็นอยงนั้นได้ก็ต้องฝึกอย่างนี้ได้ใช่ไหมแตถ้าเราลองฝึกรู้แบบให้มันออโต้บางสิหลงก็จะถูกทําลายแบบออโต้เลยนะอันนี้เราฝึกหลงแบบอะไรเคยคือเมื่อก่อนหลงไปแล้วหลงไปแล้วหลงไปแล้วเพราะมันหลงมาตั้งแต่นั่นไงมันหลงมาจนชิชันนิชานาเนี่ยหลงจนคล่องแคลวหลงจนว่องไวหลงจนเออหลงจนกระโดดหลงอ่ะทีนี้ทําเาฝึกรู้แบบเนี้เราฝึกรู้ไปด้วย ค่อยๆหยอดฝานฝึกรู้ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเืี๋ยวตัวรู้เนี่ยยิ่งทีเข้าทีเข้าอีกแลเดี๋ยวมันจะเป็นรู้แบบออโต้มันเองมันเพรามาฝึกได้อันนั้นมันได้มาจากการฝึกแบบไม่รู้แต่อันเนี้ยมันได้จะมาจากการฝึกที่รู้มันฝึกไปเรื่อยแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าอย่าไปทำอะายอย่าไปทําอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ของเก problem, ่าไม่ต้องไปทําอะไรมันทิ้งทิ้นอย่าไปคิดนะว่ายกมือสร้างจะว่าเพื่อทำลายของเก่าแล้วจะเอาของใหม่มันไม่มีของเก่าของใหม่มันมีของที่มีอยู่แล้วช่เราฝึกเนี่ยเราฝึกเอาเราฝึกรู้ของที่มีอยู่แล้วนะเราไม่ได้ฝึกไปทําอะไรขึ้นมาใหม่เลยเราไม่ได้ฝึกทําอะไรขึ้นมาใหม่เลยรู้มีอยู่แล้วและสิ่งที่กระทบก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราฝึกก็เราจะอยู่กับอันไหน ตอนแรกเนี่ยครับอยู่กับอันไหนก่อนอยู่กับอันไหนก่อนราอยู่กับสิ่งที่ไม่ต้องคิดเรารู้มันตรงๆตามที่มันเป็นเยกับอยู่สิ่งที่ต้องคิดพร้อมได้จินตนาการหนึ่งอดีตอนาคตเข้ามาคุณก็จะเห็นช่วงแรกาพอขุดนิเนี่ยมันก็กะกจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก่อนแล้วเาราเคลืนไหวเนี่ยเช้เวลาเร า, าทําเนี่ยกระการในการฝึกของเราเนี่ยมันจะมีสองกลุ่มที่ว่าคน ين, ุ่หนึ่งเราทําขึ้น รูปแบบที่เราใส่รูปแบบทำขึ้นทาขึ้นมาเพื่ออะไรเพืจะเอาความรู้สึกเนี่ยให้มันแยกตัวเองออกมาจากความคิดได้บ้างไม่ใช่ไปคิดเพื่อจะทําลายความคิดนะให้มันแยกตัวเองออกมาอยู่ทางนี้บ้างอ่ะเนี่ยสร้างขึ้นมาไปปุ๊บเนี่ยให้มันแยกมารู้กับตอนนี้ตัวเคลื่อนที่ในขณะเล่นๆไปที่ไม่ต้องคิดเนี่ยยกเคลื่อนก็รู้ไปวางลงก็รู้ไป ลุกขึ้นกรู้ไปวางลงเห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวทางร่างกายเนี่ยมันเป็นผัสสะไหมเออมันต้องหัดตรงนี้ก่อนร่างกายเนี่ยมันจะมีผัสสะเข้ามาตลอดใช่ไหมเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวเจ็บยันร้อนอ่อนแข็งเก่งตึงไหวเจ็บปวดเมื่อยเพลียพวกนี้ยมันคือผัสสะ ที่มันจะเกิดกับร่างกายทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาพ <rattling> ุ๊บอะเรารู้สึกกับมันยังไงเรารู้สึกกับมันตามที่มันเป็นหรือเรารู้สึกกับรู้สึกกับมันตามที่เราต้องการให้มันเป็นมันมีสองอย่างนะรู้สึกตามที่เราอยากให้มันเป็นกับรู้สึกตามที่มันเป็นนะแล้วเราต้องเรียนรู้ดีๆว่าเราต้องรู้สิ่ง เ, เหล่านี้ตามที่มันเป็น ถาเรีรู้ตามที่มันเป็นเนี่ยเราเป็นอะไรไหมถ้าเรียนรู้ตามที่ให้มันตามที่เราอยากให้มันเป็นเราเป็นไหมเป็นไงเจ็บหลังก็ไม่อยากเจ็บหลังเห็นไหปวดขาก็ไม่อยากปวดขาเห็นไหมเวลามันรั่วมาก็ไม่อยากง่วงเวลามันหนาวมาก็ไม่อยากหนาวเวลามันร้อนมาก็ไม่อยากร้อนนี่คือเราสังเกตดูอะ ถ้าตามที่เราอยากให้เป็นนะเราอยากให้มันสบายาตามที่เราอยากให้มันเป็นเนี่ยเราอยากให้มันสบายแล้วมันไม่สบายหรอกมันก็สลับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยขึ้นมาเ น, นี่ยดังนล้วต้องสังเกตดีๆเวลาเราฝึกดูร่างกายเราดูที่ไหนดูที่มันมาเกิดขึ้นดี๋ยวเนี้ยเกิดขึ้นดี๋ยวเนี้ยนั่นแหละดูที่อาการมันอ่ะไมไ่ไปดูที่ชื่อมันต้องดูดีๆนะ เจ็บหลังนี่ชื่อมันหรืออาการมันตอนนีม้มีไหมอย่เจ็บหลังน่ะคนก็มีมังคนก็ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดว่าเจ็บหลังเนี่ยมันเหมือนกับงแม่ไม่ตาการยังไม่เกิดอ่ะแต่เราคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอนาคตแล้วไม่เป็นอดีตแล้วเป็นความคิดแล้วแต่ ว, ว่าเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บนั่นแหละ เขาเลยบอกเวลาเราจะดูเราจะฝึกธรรมะจริงๆเนี่ยต้างฝึกรู้ตามที่เขาเป็นนะไม่ใช่ําต้องการที่มันเป็นเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตดูง่ายๆเคลื่อนไหวกับแขนเคลื่อนไหวกับร่างกายเนี่ยถ้าดูให้ดีๆมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่หลายคนบางทีไปฝึกฝึกรู้สึกอยู่ที่มืออ่ะอันนี้ก็ไม่เห็นอาการเคลื่อนไหวเกิดหายหรอกเพราะมือไม่ได้หายไปไหนมือมีอยู่เนี้ยแต่ถ้าเราดูดีๆปุ๊บอ่ะเราจะเห็นชัดละอ่ะเวลาแขนหยุดปุ๊บ เคลื่นไหวมันหายแสดงว่าเคลื่นไหวเนี่ยมันเอามันเข้ามาอาศิงสิงสู่อาศัยร่างกายเกิดคือร่างกายเราเนี่ยโดนของตลอดแหละไม่ต้องห่วงโดนของเข้าสิงตลอดแล้วร่างกายเราเนี่ยโดนเดี๋ยวโดนหนาวเดี๋ยวโดนร้อนเดี๋ยวโดนปวดเดี๋ยวโดนเมื่อยเดี๋ยวโดนหิวเดี๋ยวโดนกระหายเดี๋ยวโดนเจ็บเดี๋ยวโดนปวดเดี๋ยวโดนนั่นเนี่ยคือของแท้แล้วมันสิงอยู่อะ ไอ้ของอันนั้นก็แล้วไปัตบมาไม่มีความรู้แต่ของอันนี้เนี่ยมันมาสิงอยู่ในเราเนี่ยมันสิงอยู่ในร่างกายเนี่ยเพราะพอมันมีวิบากไงเมื่อมีร่างกายต้องมีต้องโดนของ <c oughs> เขาทําใส่เรานะ <c oughs> เขาทําใส่เราธรรมาชาติเขาทาใส่เราใช่ไหร้อนก็ทําใส่ให้เราร้อนธรรมาชาติเขร้อนใช่ไหมก็าทามาใส่ให้ร่างกายก็เลยผัดสะ เขาทำใส่ให right ้เราร้อนก็ทําใส่ให้เราเย็นก็ทําใส่ให้เราปวดก็ทําใส่ให้เราเมื่อยเขาทำใส่ให้เราหิวเนี่ยเขาทำใส่ให้เราได้น่ะของอันเนี้ยมันทุกอยู่ของอันนั้นโดนเนี่ยนดนอยู่เรื่อยโดนอยู่เรื่อยยดนอยู่เรื่อยฉันถ้าเราดูดีๆพุกเรารู้สึกตัวไปจะช้าเราจะเห็นโอ้มันทุกอย่างนี้เองเนาะเห็นความทุกข์ของร่างกายที่มันมาไปมาไปเป็นหายเป็นหายเป็นหายอยู่นั่นแหละ เห็นตามที่มันเป็นนะไม่ต้องไปคิดต่ออะมันเป็นก็เป็นไปเดี๋ยวหนาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเม่อยฉันกระวนการในการที่ฝึกที่จะเอาตัวรู้สึกตัวมาเรียนรู้ตรงจุดเนี้ตรงจุดปัจจุบันเนี่ยรูร้ไปเรื่อยๆตงปัจจุบันที่มันกําลังกระทบสัมผัสกระทบสัมผัสกระทบสัมผัสที่มันเกิดเองหายเองกลุ่มที่มันเกิดเองหายเองเนี่ยเรียนรู้ไปอเดี๋ยวหูก็จะยินเสียงสารพัดเสียงใช่ไหม มันจะมาใส่หูอะเอาเสียงแต่ละเสียงที่นกร้องมั่งหมาเห่ามั่งจิ้งหรีดมั่งคนมั่งเสียงเปิดประตูมั่งเสียงก๊อกน้ำมั่งเสียงเออเสียงเร่มั่งเสียงอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นมาเที่มันมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ผ่านไปเกิดมาปุ๊บเราผ่านไปเกิดมาปุ๊บเราผ่านไปเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆฝึกตัวนี้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวดูเถอถ้าเราฝึกเป็นนะเวลาเราจะละความคิดง่ายนิ่เดียวละที่จะไม่ยุ่งกับความคิดนะ ไม่ได้ห้ามกลับมาอยู่เดี๋ยวเนี้จบเลยความคิดเรื่องเมื่อกี้ความคิดเรื่องอะไรไรู้กลับมารู้สึกกับการนั่งและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนั่งชัดๆจบความคิดอดีตอนาคตเมื่อกี้หายไปไหนไม่รู้สลายตัวไปไหนไม่รู้เราเคยอยู่กปไหมตรงเนี้เราม่เคยอยู่ไปเลยเราเคยอยู่แต่โลกของความคิดอดีตอนาคตตลอดตัวเองยืนอยู่ อยู่เหมือนกันนะแต่อยู่น้อยลองดูอยู่ตอนไหนีอตอนหยับหินเจ็บๆนะี่อยู่แล้วตอนอะตอนตอนยุงกัดแัด๊บนึงนะี่อยู่อยู่แล้วก็ต่ออีกอยู่แล้วก็ออกอยู่แล้วก็ออกแต่กลุ่มที่ไม่ได้คิดเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเนี้ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบกับอายตนะเดี๋ยวเนี้ยกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราจะเอาอีก เออกลุ่มอันนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราจะเอาอีกกลุ่มที่คิดที่เอา ม, มากมายหลายอย่างที่มันเกิดภาวะอะไรหลายอย่างกลุ่มที่กลุ่มที่เราจะเอาอีกกลุ่มที่เราจะเอาอคืออะไรอืภาวะของการรู้รู้ทั้งสองกลุ่มเนี่ยแล้วเราจะเห็นภาวะของตัวรู้ที่มันอิสระจากสองกลุ่มนี้นั่นแหละภาวะตรงจุดนั้นแหละภาวะของผู้รู้ที่มันลอยตัวออกมาอยู่ท่ามกลางขอ้งสองกลุ่มนี้ สองกลุ่มนี้ก็จะทําหน้าที่ข อ, องเขาด้วยแต่มันไม่เกี่ยวกับภาวะของผูร้รู้ไม่เกี่ยวกับภาวะของรู้สึกภาวะของรู้สึกเขาจะไม่เกี่ยวกับมันแต่เขาเห็นมันตลอดทุกคนก็เห็นอยู่เห็นอยู่แต่เห็นแล้วไม่อยู่มันเห็นอยู่ตลอดอ่ะบางคนบอกเนีย่ยฉันฟุ้งซ่านจังเลยเนี่ยเห็นไหมเขาการเห็นความฟุ้งซ่านไหมเห็นฟุ้งซ่าน แต่ไม่อยู่กับเห็นเนะี่ยก็อยู่กับว่าฉันจะทํายังไงให้ฟุ้งซ่านมันดับนิดเดียวฉันคิดว่ากตอนนฉันกวธควนนี้อยู่หรือโกรธโกรธแล้วเขาก็เห็นอยู่ไหยนะเห็นแต่เขาไม่อยู่่ไมยอมอยู่กับการเห็นเขาอยู่กับการโกรธซะอีกใช่ไหมทุกคนเนะี่ยบางทีได้กิน่นได้รสแต่อะไรทัง้งหมดเนี่ยเขารู้หมดเนี่ยตอนเนี้ยหูเสียงที่มากระทบกับกหูก็รู้ไหมรู้เภาว่ะที่เขารู้มันก็มีอยู่แล้ว แต่รู้แล้วเขาไม่มีอะไรรู้หนึ่งรู้นั้นไม่มีสติหนึ่งรู้นั้นไม่มีสมาธิอะไรความมั่นคงไงไม่มี่าความมั่นคงไม่เป็นตัวของตัวเองรู้รู้นั้นไม่มีปัญญาแต่รู้นั้นมีอะไรรู้นั้นมีแต่หลงไม่ใช่มีรู้แต่ถ้ารู้นั้นมันมีตัวสติอยู่แล้วถึงภาวะของเออเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านใช่ไหมเรื่อถึงภาวะรู้มันง่วงอยู่ใช่ไหมเรื่อถึงภาวะรู้ สติมันจะมีเนี่ยแล้วถึงภาวะรู้ที่มันรู้อะไรก็ได้เดี๋ยวเนี้ยที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ยที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นเดี้ยว น, นีนน้นี่คือนี่คือตัวไปพัฒนาพาสภาวะผู้รู้สภาวะของรู้สึกเมื่อให้รู้ว่านี่มัมีสติแล้วถึงสิ่งที่รู้อยู่อยู่กับรู้เนี่ยใ้รู้ว่านี่มัมีสภาวะสมาธิสมาธิตไม่ใช่ภาวะสามสงบนะร่างัันพิคิดอะไรว่าร่งััน อะไเกิดขึ้นเลยอย่าไปหวั่นไหวอย่าไป ว, ไ ว, ไปวกแวกแค่นั้นแหละตั้งมั่นออกมาแล้วเหรอก็คือมาออกไปแล้วเหรอก็คือไปถ้ามาแล้วต้องทํำยังไงไปแล้วต้องทํำยังไงเปล่านี่คือพื่อสภาวะาสมาธิคือตั้งมั่นตั้งมั่นไม่วอกแวกผู้ใดก็ตามเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างเจียมแจ้งไม่งอนเงียคลอนแคล เขาควรพ่อคว ร, าควรอาการเช่นนั้นไว้มันเห็นจำแจ้งแต่มันงอนเแงนคอนแคลนทุกคนเน่ยไม่ใช่ไมมีนะภาวะเนี่ยมีอยู่แต่ภาวะของสติที่เลื่อนถึงภาวะผู้รู้ไม่มีไปอยู่กับผู้นึกผู้คิดเสีย อ, อีกสภาวะของสมาธิมีอยู่แต่มันไม่มีในตัวรูร้พวกไม่ตัางมั่นมันไม่มั่นมันไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อ่ะแล้วปวดได้มันจะมั่นคงแล้วมันหายสักที เวลาปัญอากก็มั่นคลองเงิอยู่ น, นั้นไม่ยอมหายทั้งทีมันไปตั้งมั่นอยู่กับความคิด่ไม่ตั้งมั่นอยู่กับทัวรู้และภาวะของปัญญาคือคือเห็นภาวะพวกนี้ยเป็นภาวะของสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอยู่ตลอดเนี่ยภาวะของปัญญาปัญญาไม่ใชไปคิดมากอนะปัญญาพระเจ้าขบอกรู้ตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่มันคืออะไรอะ ควาเป็นจริงของเธออันนี้จัิงทุกขังอนัตตาเลยแล้วก็ต้องทำความเป็นจริงไปสิามาแล้วไปแล้วามาแล้วไปแล้วก็งงไงแล้วตรงนี้ตอนตนี้เราเอาทั้งหมดเนี่ยทั้งสองกลุ่มมาทมตัวเดียวแล้วทั้งสองกลุ่มนี้เป็นแต่อุ ป, ปรกรณ์ทั้งหมดเลยเป็นอุ ป, ปรกรณ์ในการฝึกตัวเดียวฝึกตอวนั้นตัวเดียว ตัวภาวะของพุทธตัวเดียวที่มีอยู่พัฒนาตัวพุทธให้ดีแล้วกระวนการในการพัฒนากืตอนนี้เราหัดฝึกตรง น, นี้ก่อนรับรู้รับรู้กับสิ่งที่ไม่ต้องคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้เยอะๆสั้นๆนั่นแหละเนี่ยบางคนามาดูใหม่ๆด้วยแล้วมันจะได้ปัญญายางไงวะแค่นี้แค่นี้คต้องอะไรไอ้ย้ไปทันเลยหายแล้ว ยังไม่ทันเราทำอะไรหายลแล้วแล้วมันจะได้ปัญญาอย่างไงนี่ ย, ยไปรู้หายรู้หายแล้วปัญญามันจะเกิดยังไงที่แรก ม, ม, มันมันไม่มั่นใจนเขฝึกนะเขาบเฮ้ยรู้ไปก่อนนะพอดูอย่างนั้นมาทั้งนานแล้วไม่ไมาเห็นดีขึ้นเลยรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรแยกแยกแยะมาแล้วก็ไม่เห็นไม่เหมือนเดิมอ่ะมันมากี่ทีกี่ ท, ทีก็ยังโกรธเหมือนเดิมยังเกลีอยดอยู่เหมือนเดิมยังคุนวายอยู่เหมือนเดิมมันก็บอกว่าอถ้าไปอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแ่ะแล้วอย่างนี้ยังไม่เคยลองก็ลองดูสิเผื่อจะเป็นทางออก มันก็ไปยอไมไปยอมก็ลองทําดูอทําไปทํำมาทว่าอ๋อมันตรงนี้เองอ่ะอ๋อมันตรงนี้เองแครู้ตามความเป็นหญิงสั้นๆเพราะความเป็นจรงิงมันมีสั้นๆก็รู้มันสั้นๆพอเป็นจรงิงมัน ย, ยาวก็รู้มันยาวอ่ะก็จะเป็นไงบางคนเสียงเครื่องมันดังยาวๆแล้วเห็จะรู้จะเกิดดับยังไง มันไปคิดที่จะไปทําเกินดับอีกบอกให้ฝึกรู้จะไปคิดอีกว้ามันก็เลยเนี่ยมันอยู่ในโลกของความคิดบอกให้ทําอย่างงี้มก็คิดอีกที่จะทําอีกมันเลยมันเลยไม่รู้จะทํำยังไงไม่บอกก็ไม่รู้อีกเอาเข้าไปฉันอย่าไปคิดพยายามอะไรกับมันเออย่าไปคิดพยายามกับมันรู้ตามที่มันมีมันรู้สั้นก็รู้สั้นมีสั้นก็รู้มีสั้นมียาวก็รู้มียาวอบางคนนะฉันรู้เกิดแต่ไม่รู้ดับ แล้ว เ, เกิดดับคุณเป็นยังไงวะก็เกิดรู้เกิดเมื่อหลัก็ดับเมื่อนั้นแล้วแล้วทําไมคิดยังไงทุกรู้เกิดแต่ไม่รู้ร ด, ดับเเราก็งงเหมือนกันวมันจะอาดับยังไงเข้ามันวะจริงๆนะเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะยาวแค่ไหนมันเกิดเฉยๆแล้วก็ดับใช่ปฉันรู้เกิดแต่ไม่รู้ดับแล้วดับของคุณเป็นยังไงคือต้องดับสิ่งนั้นหายไปเลย มันหายไปเลยเสียงอะไรดังแล้วหายไปเลยใ น, ในสังเกตดูในใ น, ในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ยาวแล้วก็ถี่มากเลยของมันจะดับอย่างไปอยู่ที่บนนะ่อน้เดี๋ยวเครื่องมันทำงานเว้ยนะมันรู้แล้วมันเกิด <c oughs> แต่ยังไม่ถึงเวลาดับ <c oughs> แล้วก็จะไปสนใจอะไรมันไออื่นมีเยอะแยะที่มันเป็นอยู่ก็ไปสนใจตรงนั้นเออแค่นี้จ้อง เ่อไหร่จะดับก็ืไหร่จะดับจะไม่เห็นมันดับทั้งทีโอ้โหอันนี้ผมกับอะไรจะไปสนใจอะไรตัวก็ตัวอื่นก็มีเยอะเสียงนกร้องมันก็มีอยู่แต่บางครั้งนะสังเกตดูบางครั้งเสียงมันยาวๆเคยไปที่กรุสติอ่ะเขามีเครื่องไอทําออกซิเจนให้ปลามันจะดังตึกตึกตึกึกึกึกตึกตึกอแล้วก็เอาไอชี่มันนั่นแหละ ให้ความมันดังทั้งคืนเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยอแล้วก็ติกติดติดติติดติดติดติดติดนี่อะไเอ๊ะเมื่อไหร่จะดับวะโอ้เขาไม่ดับก็ไม่ดับเดยแล้วก็จ้องดูว่าเมื่จะดับจนเครียดเลยเครียดเลยโอ้ไม่เอ า, า, าละไม่ดูอะอันอื่นมีเยอะแยะอาหารอื่นต่อแค่ น, นั้นเองอะยึกกลิ่นมาปุ๊บเห็นกลิ่นมาหายไปกลิ่นมาหายไปอ่ะเสียงอื่นมาหายไปไอา้าว เดี๋ยวถ้าพัดหนึ่งเขาไปดับเออมันร่วงดีว่ะหายไปเลยแต่พอเห็นการหายไปแต่ละขณะเขาเมันที่มันถี่ตึกตึกตึกตึกติึกเดี๋ยวก็ไม่สนใจละสนใจเรื่องอื่นสังเกตดูคุณสนใจบางเรื่องอะสนใจได้พักหนึ่งุณก็ไปคิดเรื่องอื่นแต่ที่ควงคิดมันกันเวลามเกิดขึ้นมาปุ๊บเราก็เห็นแล้ะเอามันเปลี่ยนเรื่องแล้ะเปลี่ยนเรื่องและไอ้ใช่มันเปลี่ยนเรื่องกันแหละมันเรื่องเก่ามันดับมันไปเอาเรื่องใหม่ต่อ เนี้อยให้ความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเลยอะ่ะมันหายไปเลยเหมือนกับเครื่องสูบน้ําที่ก็ดังอยู่ตลอดดังอยู่ตลอดดัง่ตลอด่ะมันจะมีะวอกคว่าที่มันดับไปช่วงช่วงใช่ไหมแต่เราไม่สนใจเราจะสนใจว่ามันหายไปเลย อ, ะอ่ะบางคนความคิดเกิดแล้วให<ส rapport><ๆ>้ต้องเห็นความคิดตั้งหายไปหมด mama, ถึงจะถือว่าดับใช่ไหมเออไม่ใช่อย่านั้ ความคิดมันเกิดเรื่องนี้แล้วมันดับเรื่องนี้ไปต่อยเรื่องหนึ่งแล้วก็ดับอีกเรื่องหนึ่งต่ออีกเรื่องหนึ่งดับเรื่องหนี้เนี่ยมันเกิดเปลี่ยนดับเปลี่ยนดับเปลี่ยนดับเปลี่ยนดับเลี่ยนับมันไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆบางที่เราคิดอ่ะเมื่อกี้สมมติเราคิดเอาง่ายๆสมมติว่าเราคิดเรื่องกินเนี้ยเราคิดเรื่องแมวได้คิดเห็นปุ๊บเห็นแมวปั๊บคิดเรื่องแมวปุ๊บรื่องแมวที่นี่ดับแล้วนะไปเรื่องแมวที่บ้านดีดับอีกแล้วนะ เรื่องแมวในบ้นดับคนที่บ้านดับอีกแล้วนะเรื่องมันทําำไงไป็นห่วงคนนั้นคนนี้เห็ห่วงคนนั้นคนนั้นดับไปปวดคนนี้อันดับไปแล้วปวดคนอู้นดับไปแล้วโอ้มันเยอะนะใช่ไหมแล้วเราจะให้ความคิดแต่ละวมันดับไปหมดถือว่าดับก่ะโอ้ยมันก็มันก็จะไปช่องกับปวดหัวเท่นั้นแหละมันไม่ใช่อะไรหรอกไปตู้ทีดีมันจะเห็นมันยับเปลี่ยนคนเนี้ยับเปลี่ยนไอ้เรื่องหนึ่งเปลี่ยนอีกเรื่องหนึ่งเปลี่ยนไอ้เรื่องหนึ่งเปลี่ยนไอ้เรื่องหนึ่ง แต่ถ้ายังไม่ทํางานอย่าไปดูนะไม่ได้ถ้าตัวนี้ยังไม่มีกําลังเพอนี่อย่าขัดตัวนี้ก่อนขัดตัวเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องคิดนี่ก่อนขัดอยู่กับตัวนี้ก่อนเพราะตัวเนี้ยมันจะเป็นพลังในการที่จะดูดตัวรู้สึกเอาไว้ในการที่จะไปดูดตัวรู้สึกไว้ไม่ให้รู้สึกเนี่ยมันเข้าไปร่วมมันจะเป็นตัวช่วยตัวช่วยในการดูดตัวรู้สึกไว้ไม่ให้ไปรวมกับตัวคิดแล้วจะดูตัวคิดได้สังเกตดูสิเรายกมือสั้นจังหวะสักพักหนึ่งมัอยู่ที่มือ เดีวกูแวไปฏิคิดแล้วเกตเห็นไหมเดินจงกมสักวันหนึ่ดียกูแวไปฏิคิดแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวกูแวไปฏิคิดแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวแวะปฏิคิดแล้วจะกลับมาบางคนรำคาญทําไมไม่อยู่วะเน้นเอาอีกแล้วไอคิดซ้อนอีกแล้วที่จริงมันเป็นอย่างนั้นมันยักำลเห็นอยู่เออเนี่ยเห็นภาวะนี้ด้วยเห็นภาวะคิดด้วยเห็นภาวะนี้ด้วยเห็นภาวะคิดด้วยเห็นไปเห็นมาเห็นไปมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะวางแล้วภาวะนี้ก็อันหนึ่งภาวะนี้ก็ออันหนึ่งภาวะนี้เกิดแล้วก็หายภาวะนี้เกิดแล้วก็หาย คิดก็ไม่เข้าไปยุ่งไม่คิดก็ไม่เข้าไปยุ่งภาวะที่ไม่คิดก็ไม่ไม่ได้เป็นภาวะที่ดีหรอกภาวะที่คิดก็ไม่ใช่ป็นภาวะที่ดีหรอกแต่ภาวะที่รู้ว่าคิดเกิดคิดหายไม่คิดเกิดไม่คิดหายเพราว่าสิ่งที่ไม่คิดเกิดไม่คิดก็หายเพราะว่าสิ่งที่คิดเกิดที่ที่หายนี่เป็นภาวะที่ทําให้จิตนันเป็นภาวะที่อยู่ท่ามกลางพวกนี้ได้นี่แหละมันจะไม่ไม่มีมันจะไม่เป็นโอปปาติกะโอ้ยแม่มาต้องสรุปเดี๋ยวออกโรกเรื่อง มันเป็นภาวะที่จิตไม่ต้องไปเกิดกับภาวะพวกนี้อีกมันเป็นภาวะจิตที่มันมันไม่ต้องไปเกิดอีกและสรุปเลยไหมวิธีการไปทําเนี่ยคุยไว้ทั้งหลายเรื่องเนี่ยโอุปปาติกะนั่นไงการถกเกิดขึ้นของสี่ประเภทแล้วก็แนะนําประเภทที่ห้าให้เราไปทําเอาเองที่นี้ ประที่ห้าเนี่ยคือไม่ไปอาศัยพบภูมิใดแล้วเพียงแต่เอาพบภูมิเหล่านั้นมาฝึกเรียนรู้อ น, นิจจังทุกขัง อ, น, องนัตตาเขาเหมือนมาเรียนรู้สิ่งใดเปิดสิ่งนั้นดับไปเรื่อยๆทีเรื่อยๆแล้วจะเห็นภาวะจิตเนี่ยที่มันนั่นระวอกมาสู่การปฏิบัติก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เราสร้างสร้างภาวะของการรู้แบบไม่คิดรู้อยู่กับสิ่งที่มีคิดคึ้นาใช่ไหที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ต้องคิด สิ่ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วอันที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในภาวะพโมนี้ที่มันมีอยู่เยอะแยะในปัจจุบันเดี๋ยวเนี้ยก็รับรู้ไปสิความสั้นๆของมันเนี่ยรับรู้เล่นๆไปกับพิษตาทีหนึ่งหายใจทีหนึ่งคืนน้ําลายทีหนึ่ ง, นนงเดินก้าวหนึ่งยกมือสอว่างทีหนึ่งเอาแค่นี้ยเอาไว้มาอุปกรณ์ให้หมด เดี๋ยวก็จะไปดูอุปกรณ์คือความคิดความคิดความอารมณ์ความคุ้งซาและก็ช่างมันมันก็คือภาวะที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเลยอุปกรณ์ในการฝึกทั้งหมดเลยถ้าไม่ทํานะขู่ไว้ก่อนถ้าไม่ทํามันก็จะเท่าคุณไม่ทําอย่างนี้คุณก็จะไปเป็นอย่างนั้นแหละคุณไม่มีทางเลือกเพราะ คุณไม่ฝึกรู้คุณก็ต้องถูกคุณไม่ฝึกอยู่กับรู้คุณก็ถูกฝึกอยู่กับหลงพรหลงมันฝึกคุณอยู่แล้วคุณต้องหัดมาฝึกรู้มันจะได้ออกกันถ้าคุณไม่ทําไม่คุณไม่ทําคุณก็ต้องถูกความฟ้งหลงก็ฝึกให้มันหลงหลงหลงลงล ง, ลงไปจนตายหลงไปสร้างพบสร้างชาติหลงไปเกิดทั้งสี่ภพตัวเองทั้งเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่แล้วเกิดผุดเกิดขึ้นทันทีเนี่ย จะเกิดขึ้นภพราะวะพวกนี้ฉันหัดให้เป็นนะหัดให้เป็นเรียนรู้ขณะเดียวนะรู้ขณะเดียวตามที่มันกาลังเป็นนะถ้าใครมีภาวะของความรู้ที่เป็นอิสระแล้วก็อนุโมทนาก็ไม่ยากแล้วก็เล่นกับมันเรื่อยเพราะนี่คือการสร้างเหตุตัวนี้คือ ก, การสร้างเหตุนะ และผลที่จะเกิดขึ้นมาคืออิสระคือหลุดพ้นนั่นนั่นคือผลนะอย่าไปหวังผลโดยไม่สร้างเหตุอย่าไปค้อนวอนขอร้องโดยไม่ทํามันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ทําตรงนี้เข้าไปเอาละเข้าใจไม่เข้าใจก็พูดให้ละก็ทําไปเดี๋ยวทำไ ป, ำไปในทายที่สุดนี้ก็ขอให้เราอ่าอ่าขอใหเราออกจากการเกิดทั้งสี่อ่ สู่ภาวะอิสระจากการที่ไม่ต้องไปสู่ในการเกิดอีกนะก็แล้วแต่กำลังความสามารถคนแต่ละคนคนไหนสนใจไปรู้พยายามฝึกฝนการอยู่กับปัจจุบันขณะเดียวได้มากก็จะมีอานิสงส์ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญในการภาวนาด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญเอากับพระพร้อมกัน กระเพาะพร้อมกัน <c oughs> พร้อมแล้วกราบ <c oughs> <c oughs>